ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทัลศีปทุมในบันนี้จะได้กล่าวคาถาของภาษาริบุตรเถระในข้อที่หนึ่ง่านเจตั้งกล่าวว่าผู้สงบ ไม่มีความทุกข์ใจมีใจผ่องใสในขุดมัวมีศีลงามเป็นนักปราดตึงทมที่สุดแห่งทุกได้คนที่ท่านสาชนทั้งหลายจะสังเกตว่าเป็นการแสดงอริยสัจสองข้อคือ มารกษัตริย์กับนิโรธษัตริย์ประการแรกคือผู้สงบคำว่าผู้สงบนั้นหมายถึงสงบจากบาปสงบจากอากุศลสงบจากความคิดการทำการพูดที่เป็นทุจริตทั้งหลาย เราโดยสรุปก็คือสงบจากกิเลสอาการที่แสดงออกนั้นท่านบอกว่าสันตกายโยสันตวจสันตมนโนมีกายสงบมีวาจาสงบมีใจสงบผลที่สมบูรณ์เช่นนี้ก็เรียงขึ้นไปโดยลำดับ ก็ตั้งแต่สงบระดับศีลถึงการสงบระดับเวรระดับภัยระดับอันตรายต่างๆสิ่งไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลายคือตราบใดที่เรายังมีความสงบในระดับศีลอยู่อาการกายวาจาต่างๆของเราก็ต้องสงบคำว่าสงบในที่นี้ไม่ได้หมายความมานั่งนิ่งๆ แต่ว่าไม่มีอาการของกิเลสก็คงพูดคงทำคงคิดอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ในกระแสของบุญศนธรรมหมายความว่าพูดก็พูดเรื่องดีทาก็ทำเรื่องดีคิดก็คิดเรื่องดีแต่คงทำคงพูดคงคิดอยู่เช่นเดิม สีนั่นตามปกติเราคุ้นเคยในเรื่องสีสีห้านะครับแต่ว่ากรอบของสีตรงนี้มันก็หมดนั่นแหละคือหมายความว่าพูดถึงระดับทุกสีนในส่วนที่เป็นสิกขาบทเราก็นับเป็นข้อข้อก็ข้อไปข้อบางทีมก็เยอะเป็นสีนห้าเป็นสีนแปด สินแปส่วนหนึ่งถ้าสมาทานวันหนึ่งก็คือหนึ่งเขาก็เรียกว่าสีนบุษบุษแต่ถ้าสมาทานหลายหลายวันเขาเรียกว่าสีนแปดพอสมาทานเป็นนิดคือตลอดไปเขาเรียกว่านิทยสินกคือสีลที่สมาทานเป็นนิด เนื้อหาสาระของความเป็นสีนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าพ่วงเวลาในการสำรวมระวังตามบทบัญญัติของศีนั้นยาวสั้นไม่เหมือนกัน ท, ทันทีรักษาเป็นนิตย์ีลอาจจะอาจจะสามเดือนอธิษฐานในสามเดือนเข้าพรรษาหรืออาจจะเก้าเดือนนอกพรรษา รือจะตลอดชีวิตก็แล้วแต่ถ้าตลอดชีวิตเขาเรียกว่าสมุดเชตทวิรั์คืองดเว้นเด็ดขาดแต่สี่ท่านั้นก็พอไหวหรอกแต่ถ้าสินแปดมันก็ต้องเป็นระดับไม่สีคือจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องกังวลมากๆ เราเห็นว่าศีลเหล่านั้นในแง่ของความเป็นจริงไม่ใช่บาปสากลแต่เป็นบาปสํารับผู้ตั้งใจสมาทานแล้วล่วงละเมิดเพราะอะเพราะว่ามันมีความเป็นปัณณติวัชชะคือมีโทษตามบทปัญญาติของผู้สมัครใจเข้าสังกัดในสมาคมนั้นๆวันใหนซื้อ ก, กไปก็ไม่ต้องรักษา แต่สาบใจเป็นแม่ชีอยู่ก็ต้องรักษาเป็นดิษสิ้นแปดนั้นเป็นการพยายามบรรเทากรรมราคะซึ่งคือว่าเป็นกิเลส ท, ที่ครอบงำจิตใจของคนอยู่มากเวลาแสดงทุกคราวจะแสดงแก่พระก็จะเริ่มที่ราคะตุสะโมหะ ถ้าแสดงแกญาติโยมก็จะแสดงว่าโลภะทุโมหะข้อที่อกก็คืองดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการคือหลังจากเชี่ยงแล้วไปจนถึงอรุณขึ้นมาใหม่ก็หมายความว่าตลอดระยะเวลานั้นเรางดเว้นจากการสมาทาน งดเว้นจากการรับประทานอ า, าอาหารหลักๆนะฮะไม่ใช่เครื่องดื่มไม่ใช่น้ําดื่มพวนั้ น, นเขาเรียกว่าเป็นน้ําปานะคือดื่มได้เพราะว่าเป็นอาหารของกายที่เราจะต้องมีตามความจําเป็นของร่างกายแต่ถ้าเรารักษาได้ มันก็ทำหนะ้าที่สงบกามราคะคือปริมาณอาหารไม่มากจนเกิดไปจนถึงก็ย่อยออกแล้วไปเพิ่มความรู้สึกในทางเพศขึ้นแต่ก็เรียกว่าพอประมาณคือหมายความมาครองชีวิตอยู่ได้ก็ปกติสุขพอสมควร ถา้าเกิดหิวเกิดกระหายขึ้นมาจริงๆก็มีพวกน้ําป่านะพวกน้ําดื่มทั้งหลายนี่แต่เครื่องดื่มบางทีก็ฉันไม่ได้แต่ถ้าน้ําดื่มแล้วก็ฉันได้ก็พูดง่ายๆว่าที่ไม่มีลักษณะเป็นอาหารฉันได้นมยชีก็ดีพระก็ดีก็ต้องวินิจฉัย ไปตามสมควรแก่กรณีเวลาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นว่าควรจะฉันหรือไม่ฉันในแง่ของไม่ได้นั้นฉันได้หรือไม่ได้เพืออาหารที่มากเนี่ยมันจะเพิ่มความง่วงนอนกับเพิ่มการมราคะในตอนหลังอาหารที่น้อยจะเพิ่มอุทจากกุกจ ะ, ค, กะคือความราคาญแล้วก็เป็นพยาบาท เป็นโทสะพยาบาทในตอนหลังที่เราเรียกว่าโมโหหิวแต่ว่าจุดเน้นย้ำจริงจริงเราคือต้องการจะรักษาศีลข้อที่สามซึ่งเป็นอพรรมพอพรรมนี้เกี่ยวข้องกันทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้แต่สมรับคราวาดแล้วก็จับเนื้อต้องตัวกันได้นะฮะไม่ได้เหมือนกับวิัยของพระของสามเนธอันนี้จับเนื้อต้องตัวไม่ได้ แต่ของญาติโยมนั้นเขาเรียกว่าอาคารวินัยวินัยของผู้ครองเรือนจะอุ้มลูกอุ้มหลานก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันเพียงแต่ว่ามีเพศสัมพันธ์ไม่ได้แต่เพศสัมพันธ์แล้วก็ผิดศีลประการต่อไปคือการ้รนรำขับร้องประโคมดนตรีดิศรีตีเป่าดูการเล่นต่างๆ มันเป็นคัดสิทธิ์ต่อจิตใจเราจะเห็นว่าเรื่องดนตรีนี่มันกระตุ้นการมาราคะมันแคล้ๆกับเพลินสนุก แ, แต่ว่าเป็นอาการของราคาขะครีกว่าสนุกคือไม่จะสุขมันแต่สนุกชวนให้เพลิดเพลินเบิกบานแช่มชื่น แ, แจ่มใส แต่ปัใจยก็ไม่ห่างไกลจากการรมราคะการดูการแสดงทั้งหลายนั้นจะ ก, กระตุน้นการมราคะกระตุ้นโลภะกระตุ้นโทสะแล้วก็กระตุ้นโมหะกระตุ้นหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่รักษาไว้มันก็ไปมีปัญหาในสีลข้อที่สาม คือจิตมันจะล้าเส้นออกไปจนถึงกลับไปมีเพศสัมพันธ์กันการนอนบนที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นแหลส่สําฤิเครื่องราชวิจิตรงดงามนั้นมันก็กระตุ้นการมาราคะเหมือนกันท้างฟังลองสังเกตว่าถ้าเรานอนในที่นอนที่มันหรูหราแล้วก็จิตมันจะเพลิด มันจะคิดเลยเถิดไปถึงคนที่จะมานอนข้างและถ้าคุมไว้ไม่อยู่พน้นก็ผิดศีลข้อที่สามอีกพ้นอย่างน้อยพวกนี้่มันเป็นมโนทุจริตเป็นอย่างน้อยพอไปผิดศีลข้อที่สามก็เป็นกายทุจริตแหละทีเนี้ก็อาจจะเริ่มที่วจีทุจริตด้วย เราต้องพูดจาต้องสื่อสารกันก่อนเสร็จแล้วก็เสียหมดเลยเสียเรื่องเลยแต่ว่าสีนพอนับข้อแล้วเรารู้สึกสยองนีจำนวนมันมากเลวเกินในแง่ของความจริงพระเองก็จำไม่ได้ทุกข้อหรอกมันเยอะเลวเกินคือสีนในปาฏิโมกขนะ์เนี่ยจำได้ แต่สีนอกปฏิโมกนี่มันเยอะมากก็เป็นพันๆ น, นะครับจำไม่ได้หรอกแต่เราก็มาสํารวมที่กายวาจาใจของเราเท่านั้นเองถ้าสํารวมที่กายวาจาใจได้มันยังอื่นมันก็ชื่อว่าสํารวมได้มันก็คล้ายๆกับว่าขัาศึกรุกมาในด้านต่างๆ เราปิดกัน้นมีกำแพงสูงไม่สามารถจะปีนป่ายขึ้นมาได้แต่ก็มีช่องมีประตูอยู่ก็ตั้งการราคาอยู่ที่ประตูก็ศึกมาก็ดำเนินการไปตามสมควรได้กิเลสที่เกิดขึ้นไปในใจมันก็มีลักษณะอย่างนั้น เพราะฉะนั้นการสร้างความสงบระดับศีลพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นธรรมะอย่างในกรณีของศีลห้าประการหาประการอีกด้านหนึ่งก็งเป็นธรรมะพอจิตยกสูงขึ้นมันก็กลายเป็นธรรมะแต่ละข้อพอเป็นธรรมะนี่ไม่ต้องไปสนใจข้อ ให้มีธรรมะไว้สักข้อก็แล้วกันอย่างยกตัวอย่างว่าเรารักษาศีลข้อที่หนึ่งจนยกระดับจิตขึ้นไปถึงเมตตาดีกว่าปรารถนาดีมุ่งดีมุ่งเจริญตอกกันปรารถนาการอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุสลายกันเขาให้แต่ละชีวิตอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตน ถามมารฆ่าคนอื่นได้ไหมจิตที่เมตตาเนี่ฆ่าไม่ได้จิตที่เมตตานี่ยักไม่ได้จิตที่เมตตานี่ล่วงละเมิดทางเพศไม่ได้จิตที่เมตตานี่โกหกไม่ได้ยุยงปลุกปั่นไม่ได้กล่าวคำหยาบคายไม่ได้กล่าวเรื่องที่ร้ายสาระประโยชน์ไม่ได้แล้วก็จะไม่สิ่งเสพสิ่งเสพติดเพราะว่า มันเวีย น, นตัวเองถ้าใครขืนใส่เสพสิ่งเสพติดก็แสดงว่าไม่รักตัวเองไม่เมตตาต่อตัวเองแล้วมันก็ไปหายไปยนถึงรักษาศีลศีลแปดดังกล่าวมันควบคุมได้เองแต่ตามปกติแล้วเราสมาทานศีลเพียงห้าข้อกันส่วนใหญ่ แม้แต่ที่วัดเองเคยสังเกตเวลาเทศวันธรรมโสนอะ่ะตอนห้าข้อแรกในเสียงดังเดียวทั้งบทพอมาเริ่มข้อแต่หกเลยเงียบไปตั้งเยอะเลยเอาอยัางคิดว่าจะเหลือสักสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าพราะเราก็จะพยายามมองโยมว่ามีคนไหนสมาทานศีลแปดบ้าง ก็มีก็จะพาอคนแ ก, แก่ๆพูกนุ่มสาวไม่มีใครสมาทานะมันก็แสดงว่าทำเท่าที่ทำได้มนก็สงบบาปสงบกุศลได้แต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยทรงเรียงเป็นรูปของเรียกว่าจะตุปาริสุทธิ์ที่สี หมายความมาพระก็ได้ชาวบ้านก็ได้ถ้ารักษาระดับนั้นได้เมื่อก็สิงกี่ข้อก็ไม่รู้ว่ารักษาแล้วช่อว่ารักษาไปแล้วทำนองเดียวกับการรักษากฎหมายคือกฎหมายนี้ไม่มีใครอ่านจบหรอกแม้แต่มาเองถ้าถามว่าอ่านกฎหมายฉบับไหนจบบ้างเนี่ยก็ตอบว่ายังไม่เคย กฎหมายที่กตินี่มีเยอะนะฮะเอาไว้แต่ส่วนหนึ่งก็บริจาคไปสับา้างเพราะเราก็คอดค่อนข้างแน่ใจว่าเราไม่มีโอกาสได้อ่านเพราะเรื่องธรรมะในศาสนาอก็เยอะอยู่แล้วอ่านไม่บาดไม่ไหวอยู่แล้วแต่ว่าเราก็พยายามทําตนเป็นผลเมืองดีจบ รายเพราะกฎหมายเนี่ยมันเกิดจากจิตสํานึกของคนผู้ร่างกฎหมายแต่นด่นมนุษย์มันก็มีสํานึกด้วยกันน่แหละสํานึกอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรเว้นอะไรควรประพฤติมันก็สํานึกด้วยกันคือบางทีมันก็เป็นสั ญ, ญลักษณ์สั ญ, ญลักษณ์ต่างๆตามทท้ อ, ท อ, ท อ, ทองถนนตามสนามตามสถานที่ราชการมันมีสั ญ, ญลักษณ์อยู่ ข้าวได้ข้าวไม่ได้แต่บางทีเราก็สับสนนะะครับยังเคยไปกระซาวทหารที่กองทัพภาคสี่หลายปีมาแล้วคือเราไม่เคยไปทางทางรถแล้วก็ขนกูดศพไปเพื่อจะทำบุญหลวงปู่รถสนักรัชวังนะครับ ก็ต่างคนต่างก็ไม่คุ้นทางเดียกันเราก็คุ้นทางก็คือผ่านกองทัพภาคสี่แต่ก็มีถนนใหม่ที่ต้องเลี้ยวซ้ายเราก็ไม่แน่ใจว่าเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาเข้าถูกหรือเปล่าเราจะขอผ่านทานเขาไม่ยอมให้ผ่านเลยเราก็ชี้ที่ประตูด้านหนึ่งบอกว่า ทหารเป็นมิตรกับประชาชนอีกด้านหนึ่งบอกว่าเขตาหารห้ามเข้าถามมาป้ายสองป้ายนีย่คุณหมายความมาอย่างไงถ้าคนเป็นมิตรกับประชาชนคุณต้องให้ฉันเข้าแต่ถ้าคุณถือว่าเคตาหารนี่แต่ต้องไม่ได้เข้าไม่ได้ฉันก็ไม่เข้าในสุดก็ขอ เบอร์แม่ทับก็โทรคุยกับแม่ทับเล่าทางฟังว่าตอนเนี้ยเอาโกรธหลวงปู่มาจะขอผ่านทางหน้าไข่นี่แหละเพราะไม่แน่ใจมันเป็นกลางคืนนะฮะกลางคืนแล้วก็ดึกแล้วด้วยเสร็จแล้วท่านก็โทรศัพท์สั่งอนุญาตให้เข้าไปนั้นก็แสดงว่า เราที่ที่ที่ไปค่องใจเนี่ยว่ามันเป็นมิตรกับประชาชนแต่เขตทหารน้าำข้าวนี่มันอยู่ด้วยกันได้ยังไงมันเป็นซ้ายกับขวาน่ะคือหมายความว่าคุณต้องการขวาคุณก็ขวาอย่าเสียนซ้ายไว้ตีคุณต้องการก็ไปทางขวาคุณก็บอกทางขวาต้องไปทางซ้ายก็บอกทางซ้าย แต่ก็แปลกนะเราเจอบ่อยป้ายอย่างเงี้ยเจอบ่อยแล้วก็ไม่เข้าใจแล้ววันก่อนนี่คุยกับอดีตทหารเป็นพลตรีกับพลเอกเขาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเขากูัวรอแต่ต่อเบรติแล้วเรา มีสำนึกพอที่จะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและเรารู้สถานะของตัวเราเองว่าเราไม่เป็นไัยกับทหารหรอกแม้เราเข้าไปในไข่เราก็ไม่เป็นไัยไม่ต้องพูดถึงผ่านหน้าไขายหรอกแต่ว่าทหารยามก็เป็นเด็กๆนะฮะเราก็ถือคาสั่งเคร่งครัดเราก็เข้าใจ แต่ในสุดก็ได้ผ่านนะครับเพราะในศีลเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งที่เป็นธรรมะธรรมะที่บรรเลยจะตุปาริสุทธิ์ที่ศีลสีไปอีกทีหนึ่งนะฮะหมายความว่าจะตุปาริสุทธิ์ที่ศีลสีนั้นมีลักษณะเป็นศีลอยู่ก็คือสํารวมตามบทปัญญัติของสีขาวบททั้งหลาย สิขบทบัญญาตไว้ยังไงก็สำรวมระวังตามนั้นแล้วก็สำรวมระวังอินทรีย์เวลาสัมผัสกับอารมณ์ข้างนอกมาใจเกิดความยินดียินร้ายในอารมณ์ดังนั้นแล้วก็เลี้ยงชีพในทางชีสุจริตบริ ส, สุทธ คือการเลี้ยงชีพของพระนี่ที่จริงบิณฑบาตนี่ถือว่าอาชีพที่บริสุทธิ์อย่างอุกฤษญา ต, ติโยมเขานําอาหารมาถวายญาติโยมนี้มนไปสันที่บ้านเนี่ยเป็นอาหารที่บริสุทธิ์แม่ทายาตยิโยมถวายจะตกปัจจัยเอาไว้ให้เด็กไปซื้อหามาก็เป็นอาหารที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์คนเรื่องการเลี้ยงชีพเนี่ย มันละเ ม, มียดละไม่กว่าของโยมเยอะจะตอ้องระมัดระวังมากถ้าไม่แน่ใจก็คือไม่สันนะนะก็เท่านั้นเองคือบางครั้งบางคราวเราจะไปถามชาวบ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้แต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรคือวิ น, นัยในห้ามสงสัย ถ้าสงสัยคืนธรรมและปรับประปัติทุกข์ก่อนอะไรเราสงสัยเราก็ไม่ฉันก็จบก็เฉยๆฉันเรื่องอื่นไปแล้วก็ปัจจะยปัจจเวขนะคือพิจนาปัจจะสีปัจจะสีที่เราทราบกันนี่แหละ ก่อนจะบริโภคใช้สอยขณะบริโภคใช้สอยหลังจากบริโภคใช้สอยก็ ต, ต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้สําเร็จประโยชน์ก็แล้วกันแหละอย่าไปติดใจในรายละเอียดสําเร็จประโยชน์ก็ชื่อว่าเพียงพอแล้วแต่พอถึงธรรมะนี่มันมันสมุบเข้าไปเลย หมายความสงกเข้าไปถึงใจคือเรื่องสีนี่เราอย่าไปคิดหยุมหยิมว่าทำไมต้องบัญญัติอย่างนั้นทาไมต้องบัญญัติอย่างนั้นทาไมต้องบัญญัติอย่างนั้นพระพุทธเจ้านั้นท่านมีพระญาณอย่างรู้ได้ลึกซึ้งมองเห็นอดีตอนาคตปัจจุบันว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเป็นอย่างนั้นอะไรจะเกิดขึน้นเช่นสังคมเรามีบาบยามุกอยู่เกลื่อนแต่ก็อยู่ได้แต่ถ้าสังคมพระเกิดอนุญาตให้เล่นาบาบยามุกได้นี่ตายเลยนะะศาสนาพังไปแล้วในแง่ของโลกมันก็โทษไม่มากแต่ในแง่ของพระแล้วเป็นเรื่องใหญ่ พระเกิดเล่นการพนานได้ขึ้นมานี่ยุ่งนะไม่ต้องเอาทุกอย่า ง, งนะถ้ายิ่งดื่มล้าได้แล้วก็เลกเข้าป่าเลยเกี่ยวกลางคืนได้อย่างเงี้ยดื่มเหล้าได้ก็เละเข้าป่าเลยศาสนาก็อยู่ไม่ได้นั่นก็แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าสีจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ตอนใ น, นปฏิบัติไปจนถึงพิจารณาความปฏิกูลของอาหารในระดับกรรมฐานนะครับจนมีความรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องสั่นอาหารเพราะเหมือนน้ำมันหยอดเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะไปได้ไมก็ต้องมีน้ำมันชีวิตเราจะเดินไปได้ก็ต้องมีอาหารมีเครื่องนองหมมีที่อยู่อาศัย อย่ากแก้โรคตามต้องขวดแก่กันนี้ตอนนี้ก็เรียกยังเป็นยังเป็นศีลอยู่แต่เป็นศีลที่ประนีตขึ้นนะครับทีนี้พอสูงขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยศีลข้างล่างนี้ไม่ต้องนับแล้วคือหมายความว่าถ้าจิตเราประณีตขึ้นไปมีธรรมะเป็นจุดยึดเหนี่ยวใจเนี่ยให้ลองสังเกตว่าสุดยอดของ การปฏิบัตินั้นก็คือปัญญาสมบูรณ์บริสุทธิ์อย่างแท้จริงจิตเมตตากรุณาต่อคนต่อสัตว์นะฮะต่อสรรพสัตว์สามข้อแต่นั้นเองสามข้อแต่นั้นเองแล้วถ้าเรามองสามข้อไปเชื่อมโยงกับโลภกดหลงก็จะเรียนว่าปัญญาก็ขจัดความหลงขจัดความโลภขจัดความโกรธปัญญานี่ขจัดเรียบนะ เพราะอะไรเพราะว่าความหลงมันมาจากอวิษาปัญญาเป็นตัวขจัดอวิษาความโกรธความโลภราคะนี่มันมาจากหลงลนั้นนเมื่อถอนรากง้ามันหมดมันก็ตายตายตั้งแต่ปลายลงมาแหละถอนที่คนเนี่ยฮะแต่ไปตายถึงปลายแหละ ทีนี้การมองโลกด้วยความเมตตากรุณามันเราพูดกันเยอะบ้านเราเนี่ยแต่ว่าทำได้ยากเพรามนุษย์บรรถุกขัดขวางด้วยความรู้สึกเป็นอัตลาตัวตนเวลานี้ก็มีแฟชั่นใหม่เกิดขึ้นก็เรียกอัตลักษณ์แต่ลักษณะเฉพาะตัวของเขาหมายความคนอื่นต้องยอมรับอัตลักษณ์ของเขา นขณะเดียวกันเขาก็ไม่เคยพูดว่าเขาจะอยอมยอมรับอัตลักษณ์ของบุคคลอื่นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะฮอางศาสนาแต่ว่ายิดกัน้นอัตลักษณ์ของบุคคลอื่นเอาเฉพาะอัตลักษณ์ของตัวเองทําไมพวกหนึ่งยอมจำนนแต่ตัวเองไม่ยอมจำนนมันก็อยู่ร่วมกันยากแต่ว่า เขาจะยอมจำนวนหรือไม่ยอมจำนวนเราก็รู้สึกว่าเรามีอัตลักษณ์นี่อาตาตัวตนเราไม่เรียกว่าอัตลักษณ์เราเรียกว่ามีอัตาตัวตนมันก็กลายเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาจะถึงแบ่งฝ่ายรบ ก, กันเรวไม่รู้ทำไม่ทำอะไรบาปกรรมรบเปลา เกิดมาจะา ก, กี่วันเราก็ตายแล้วไปรบราข้าววันกันทำใหม่ไปแย่งอะไรเรามันไม่มีอะไรให้แย่งแล้วเราครอบครองได้ี่รันดอนทั้งสิ่งที่เราแย่งทั้งผู้แย่งทั้งผู้ที่ถูกแย่งมันก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ในโลกนี้ ไม่มีใครสามารถนำพาสิ่งเหล่านั้นไปได้แต่เราก็ยังรบปรัญหาตลุดอยู่เนี่ยในโลกบรรปัญหาที่แก้ยากคำสอนของพระเถระนั้นสั้นนิดเดียวนะฮะสองบรรทัดกวบบ่านินิ ด, ดสองบรรสองบรรทัดพอดีนะฮะสองบรรทัดพอดี แล้วก็สงบถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเรามีศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าถ้าเรามีสติระลึลกรู้เท่าทันต่ออารมณ์ทั้งหลายถ้าเรามีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติพัฒนาตัวเอง ถ้าเรามีปัญญาในการพินิษ์พิจารณาการเพ่งพินิษ์พิจารณาให้เข้าใจโดยท่องแท้ในสิ่งทั้งหลายแล้วเราก็ชัดเจนในบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีช่วยเสริมเจริญสุขทุกข์พอถึงปั๊บเราก็ตรงนี้ควรเป็นตรงนี้ควรประพฤติตัวนี้ควรเลี้ยวตัวนี้ควรหยุดตัวนี้ควรชะลอตรงนี้ควรถอยตัวนี้ควรหลบไปไรเนี่ ไม่ใช่ว่าเราธรรมะไปปฏิบัติทีนึ่งเป็นมัดมัดไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าปฏิบัติให้สมควรแก่กรณีนั้นๆั้นเทียบการขับรถเลยมีความชัดเจนนะแต่ว่ามาขับรถไม่เป็นออกก็หมายความว่าคนที่ขับรถนเราเห็นชัดเจนแล้วก็สังเก ต, ตเออก็นี่เทียบกับการใช้สติสมชัญญ์ความเฉียน สติสัพัญญาความเพี้ยนขับรถไปถึงจุดหมายปลายทางได้บางทีคนเหล่านั้นก็ไม่มีความรู้ความสามารถอะไรเท่าไหร่หรอกก็เคยนิมนตไปอบรมพวกขับรถบรรทุกนะฮะเยอะเต็มห้องประชุมเลยสอบถามความรู้ความสามารถแต่ไม่ค่อยสูงความรู้นี่ไม่ค่อยสูง แต่ความสามารถในการขับรถโคสูงบางคนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุบางคนก็เคยเกิดนะคยสรุปว่าก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นสแสดงให้เห็นว่าเขาก็รู้ว่าตรงไหนควรทำยังไงตรงไหนควรทำยังไงตรงนี้ขึ้นที่สูงตรงนี้ลงที่ต่าตรงนี้มีหลุมบอ่อตรงนี้จะต้องหลบจะต้องหลีก อ, อะไรต่างๆเขาก็ปฏิบัติไปได้ เห็นผู้ชานาญอย่า ง, ทา ง, งทางทางภาคเหนือในหนทางภาคเหนือนี่เราจะเห็นว่าแมมมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวไปจนเกินมืน่นอะไรกันแต่คนแถวนั้นเนี่ยเขาขับรวดเร็วมากเคยไปบรรยายที่จังหวัดพะเยาบรรยายถวายพระเต็มการป ร, ริยนเต็มเต็มโบสถ์นะฮะบรรยายในโบสถ์โบกถ์าใหญ่มาก ภาษีคงคำํำพระท่านซักอะซักเราก็ต้องต่อไปเรื่อยปรากฏเวลามันมินเมย์ที่จะมาขึ้นเครื่องบินที่เชียงใหม่เราก็ให้คนท้องถิ่นมาส่งเป็นรถโตโยต้าขนาดกลางก็เรียกรถรุ่นอะไรไม่รู้รถก็ไม่ให ม, ม, ม่อะไรเท่าไหร่แล้วแม้แต่แก้ขับ อุตรุษเลยทันนะฮะมาขึ้นเครื่องบินที่เชียงใหม่ทันแต่ก็ไม่ทันแล้วกว่ก็จะต้องนอนที่เชียงใหม่อีกคืนแล้วปรากฏว่าเขาขับมาได้ทันนั้นแสดงว่าการใช้สติสัมปชัญญะความพยายามของเขานี้จนเคลื่อนไหวได้เปน็นอัตโนมัติเพราะการฝึกจีดเราก็มีลักษณะอย่างนั้นแหละก็มีสติสัมปชัญญะความเพียร ฝึกจิตจนวินิจัยอารมณ์ในแต่ละขณะขณะขณะขณะแล้วปฏิบัติสอดรับไปกับขณะนั้นๆก็ป้องกันได้ขจัดได้บำรุงได้รักษาได้แล้วก็สงบไปจนถึงระดับของสมาธิที่ตัณใช้คำว่าอะไรล่ะสะอาดสงบสว่าง สะอาดก็คือสงบระดับศีลสงบก็คือระดับสมาธิสว่างก็คือปัญญาสาดสงบสว่างหรือบางทีจะเรียกว่าสว่างสะอาดสงบก็ได้เรียกตา ม, มาริยมักปริมั ก, ม ก, ก็เริ่มที่ปัญญาก่อนสมาธิิสมาสังกัปปะปอนสมาวาจาสมากรรมตะสมาชีวะพวงนี้ก็สะอาด ต่อไปก็สงบคือสมาวยามะสมาสติสมาสมาธิก็สงบทีนี้จนถึงกสีนสมาธิปัญญาสมบูรณ์พอสมาธิปัญญาสมบูรณ์เนี่ยมันขจัดรากเง้าของกิเลสได้หมดรากงางประสาปกิเลสมันก็ถูกขจัดได้หมด ไอ้กีเลตเป็นเหตุผลักดันให้ทําให้พูดให้คิดในทางทุจริตมันไม่มีร่นกายท่านก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจท่านก็สะอาดก็ทําให้เกิดผลอะไรละ่ะไม่มีความทุกข์ใจถามว่าทุกกายมีไหมทุกข์กายมีนะะทุกกายมีนะ แต่ไม่ยึดติดในทุกต่อ น, นั้นเพราะท่านมีปัญญารู้ท่าทันตามความเป็นจริงอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีพระโรคปวดปวดด้านป ร, ปริศด่างนีก็คงจะสืบเนื่องมาจากการทรมานพระวรากายแสวงหาสัมโพธิญาณ น, นั่นแหละก็นั่งนานๆไม่เคยได้ บา ท, เทีเทศอยู่อาอนอนท์เทศต่อสาริบุตรเทศต่อเจตากฎเจ้พักหน่อยร่างกายมันเมื่อยแต่ว่าไม่ได้ยึดมั่นในความเมื่อยจริงเท่าว่าร่างกายนะฮะร่างกายถ้าเราไม่รู้จักบริหารจัดการไม่รู้จักการใช้มัน ถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นก็แสดงว่าการปวดเมื่อยเนี่ยทุกกายเนี่ยมันมีที่มันเกิดจากการเสียดแทงของโรค ก, ก็ดีการเหน็ดเหนื่อยก็ดีก็มีธรรมดาแหละลองสังเกตตอนพระพุทธเจ้าเสด็จจากเมืองปาวาไปกุสินาราเนี่ยระยะทางประมาณสักสิบสามกิโล แต่ต้องพักตั้งหลายครั้งอ่ะตอนนั้นส่งไปส่วนหนักอยู่ก็รับสั่งบอกนะเราเมื่อยจะพักสักหน่อยของเรานีบอกว่าพักสามแห่งของที่เบตบอกว่าพักยี่สิบห้าแห่งที่เบสเนี่ยเขาเก่งนะเขามีรายละเอียดเยอะมากยัางนึกอยู่ว่าประเทศไทยเราถ้า เอาคำพีของทิเบตทั้งหมดมาแล้วตั้งกองศึกษาเรียนรู้เรื่องกอนทิเบตแล้วก็ลงทุนแปลกมาเลยแปลเป็นไทยวันก่อนดูข่าวสมเด็จพระเทพเสด็จจีประเ ท, ะเะเทพพมา่ารับสั่งให้มีการสแกนหนังสือ บางเล่มราคาอายุตั้งห้าร้อยกว่าปีห้าร้อยกว่าเล่มนะตอนนี้กำลังสแกนอยู่หมายความว่าเราจะได้หนังสือเข้ามาสู่ประเทศไทยสือพิเศษพิเศษนะฮะห้าร้อยเล่มแต่มาเป็นภาษาพมา่าพระกโรก็เรียนพมา่ามาเยอะนะฮะ ต, ต่อไปก็น่าจะปฏิวัติออกมาได้หนังสือดีๆก็มีอยู่เยอะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าในกระบวนการนี้ก็เถอะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีจะต้องศึกษาทีนี้ปัญหาเรื่องความทุกข์ความทุกข์ใจไม่มีนะคือหมายความว่า คำว่าโสมนัสโธมนัสโสมนัสมีนะฮะแต่โธมนัสไม่มีทุกกายมีแต่ไม่ยึดมัน่นถือมันมันสักแต่ว่าปวดสักแต่ว่าเมื่อยสักแต่ว่าเหนื่อยมันก็สักแต่ว่าในเรือดร้อนอะไรกับความปวดความเมื่อยความเหนื่อยหรอกแต่ว่าบางทีก็ต้องพาสังขารไปให้ได้ พอสังขารมันไม่อยู่ในอานาจแล้วทีนี้เมื่อไม่มีทุกกายก็แสดงว่าใจก็ผ่องใสไม่มีทุกใจท่นบอกไม่มีทุกใจก็มีใจที่ผ่องใสผ่องใสตลอดผ่องใสนิรันดรผ่องใสถาวรผ่องใสตลอดไปอุปมาณเหมือนเพชยที่เจรนา ย, ย่างดีแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะเศร้ามองได้ เอาไปโยนในโคลนในตมในสิ่งสกปรก่างไรก็ตามเพชรไม่ได้ซึมซับสิ่งเดล่านั้นเข้าไปอยู่ได้ทำกลางสิ่งหอมก็ได้สิ่งเหน็นก็ได้สิ่งปฏิกูลก็ได้ก็อยู่ได้ระนั้นจิตใจกันท่านทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ยืนยันว่าไม่คุณมัวเพราะไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้คุณมัว นะความคุณมัวข้องใจก็มาจากกิเลสกิเลสบางทีท่านเรียกว่าทุลีคือหมายความว่าสิ่งที่ทําให้อะไรก็ตามมันขุณมัวเศร้าหมองไปก็เป็นทุลีราคะก็ชื่อว่าทุลีโทสะ ก, ก็ชื่อว่าทุลีโมหะก็ชื่อว่าทุลีทีนี้ท่านที่ปฏิบัติอย่างนี้ก็ถึงความสงบขนาดนี้ตั้งแต่สมาธิขึ้นนะสมาธิขึ้นไปเนีย แต่หนักแด่นแล้วก็ชานขึ้นไปปะมาธิพอออกจากสมาธิเราก็รับอารมณ์เดิมมีตัวกระตุ้นให้เกิดความคุ่นมัวก็คุ่นมัวเดีย๋ยวเราลองสังเกตว่าพระเราจํานวนมากที่บวชเข้าป่าเจริญกรรมาฐานแล้วก็สึกบางทีสึกเยอะนะสึกเป็นร้อยๆเลย เพราะอะไรเพราะมันสงบเฉพาะกายสงบเฉพาะสถานที่สงบเฉพาะกายวาจาแต่ใจมันไม่สงบตอนเจริญสมาธิก็ใช่จเจริญสมาธิตอนบรรลุสมาธิก็ใช่ตอนบรรลุสมาธิแต่พวกนี้มันเสื่อมนะะเป็นกุ ป, ปธรธมคือกำเริบได้แล้วปะททะอารมณ์ไม่ก็ได้เพราะความคุณมัวยังมีอยู่ ในคำพีได้เล่าถึงพวกฤาษีทั้งหลายที่ท่านอยู่ป่า ก, กันเป็นปีๆหลายๆปีแต่ปกติไม่จําเป็นจริงๆท่านไม่เข้าเมืองหรอกไปเจอแสงเสียงวิจิตเข้ามาก็เป๋เหมือนกันในฤาษีก็ฤาษีแหละพอเข้าเมืองในส่วนมากเหลือกลับไม่หมดหรอกก็จะกลับไปได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ติดอยู่ในเมืองนั้นส่วนหนึ่ง เพราะอะไรพร ะ, ระสิ่งในป่ามีนั้นในเมืองไม่มีสิ่งในเมืองที่มีเป็นนันมากซึ่งเป็นอารมณ์โลกในป่ามันไม่มีแล้วมนุษย์มันไวนะฮะกิเลสมันไวไฟก็เทียบเบอร์กระมันเชื่อเพลิงไงฮนะไวไฟจิตใจก็แกลงพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ก็เคยแกวงแต่รับสั่งเล่าเอง เป็นฤษีเหาะมาทางอากาศนะครับพระเทวีของประชาชาอยู่บรรดาษฟ้าถนอลอยมาทางอากาศพระเทวีรีบรลุกขึ้นผ้าผอนหลุดลยุยฤษีชาญเสื่อมเลยนันก็แสดงให้เห็นว่าอารมณ์โลกไม่ใช่เรื่องสนุกนะ หลบๆจะได้ก็ดีถ้าใจเรายังคุณมัวอยู่ทีนี้ท่านบอกว่ามีศีลงามศีลงามหมายความมาอาการของพระปุถุชนก็ตามอรหันต์ก็ตามที่เราสังเกตได้สังเกตที่ศีลของท่านนะฮะสังเกตที่การทําการพูดของท่านเราไม่รู้ใจของท่านหรอก เพราะใจมันไม่แน่เสมอไปว่าจะเป็นอย่างที่แสดงออกทางกายทางวิจาหรือไม่มันมีมายามันมีเจ้าเล่ห์มันมีเสแสร้งมันมีโอ้อวดมันมีแข่งดีมันมีหลอกลวงมันมีปลอมแปลงเฮ้ยสารพัดแต่กายวิาจาใจที่สอดคล้องกันอย่างพระพุทธเจ้ารับสั่งเช่นไรก็ทําเช่นนั้นทําเช่นไรก็รับสั่งเช่นนั้น หมายความพระไทยวาจากาเนี่ยมันสอดคล้องกันอยู่ภายใต้การบงการของใจเรียบร้อยใจที่บริสุทธิ์หมดจดฝัพระองค์ก็เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดอย่างแท้จริงแล้วก็ต่อไปถ้าบอกเป็นนักปรานักปรานในที่นี้ก็คือแสดงถึงปัญญาที่สมบูรณ์มากๆเฉพาะในที่นี้นะแต่ที่นักปราชนมันก็เริ่มมาได้เรื่อยๆไง คล้คายคำสัตบุรุษพอเรียกพระพุทธเจ้าว่าสัตบุรุษหมายความมาต้องสมบูรณ์ด้วยปัญญาบริสุทธิ์กรุณาอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายพื้นฐาที่สูดแทงทุกข์ได้คือหมายความมาทำทุกข์ให้หมดไปได้แต่ความลองสังเกตว่าผู้สงบนั้นเป็นอาการไม่มีทุกข์ใจนั้นเป็นอาการมีใจผ่องใสนั้นเป็นอาการ ไม่คุณมัวมีสีงามนี่เป็นอาการของอริยมรรคแล้วก็เป็นนักปราศก็เป็นอาการของอริยมรรคํทาที่สูดแดงทุกได้ก็เป็นอาการของนิโรธรวมทั้งผู้สงบแล้วก็ไม่มีความทุกเนี่ยเป็นอาการของนิโรธด้วยเห็นไหมทั้งหมดที่จริงก็คือมรรคศาสตร์กับนิโรธศสัสตร์นั่นเอง ท้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูดในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี